คุณผู้ฟังคะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หน่าแปลกนะคะที่สมัยของพระองค์ท่านมีปรากฏการณ์ในธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเรื่องราวของดาวหางที่เยืนโลกและก็ครั้งนั้นผู้คนแตกตื่นไปทั่วซึ่งเรื่องของดาวหางดวงนี้มีปรากฏเป็นเรื่องราวและบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษายอย่างชัดเจน และเรื่องราวสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ท่านก็คือการเกิดปรากฏการณ์สุริยุ ป, ปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งผลจากการเกิดสุริยุ ป, ปราคาครั้งนั้นนำมาสู่กรณีผลัดแผ่นดินในรัชกาลต่อมาค่ะแต่ทว่าเรื่องราวที่จะเล่าให้ถึงที่จะเล่าให้ฟังในคราวนี้นะคะก็คือกรณีดาวหางมายืนในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น พระองค์ท่านทรงให้ทางการออกใบแจ้งประกาศเตือนแก่ราษฎรมิให้กลัวและก็ตื่นตระหนกกับปรากฏการณ์ครั้งนี้เพราะว่าในเวลานั้นยังมีผู้คนและก็ชาวบ้านที่ไม่ทราบถึงปรากฏการณ์ครั้งนี้อีกทั้งในเวลานั้นวิทยาการและก็วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญผู้คนก็เลยตื่นกลัวเพราะถือในเรื่องของโชคลางต่าง อย่างเช่นเมื่อครั้งที่เกิดปรากฏการดาวหางในครั้งก่อนเกิดมีอหิวาตากรโรคและก็โรคร้ายระบาดผู้คนก็เลยเชื่อกันนะคะแล้วก็ลือกันหนาหูว่าหากมีดาวหางโคจรมาปรากฏอีกครั้งใดล้วนจะมีแต่เรื่องร้ายดังนั้นพอข่าวลือเรื่องดาวหางจะมาในครั้งนี้เกิดแพร่ออกไปผู้คนก็เลยตื่นกลัวกันอีกครั้ง บางครั้งค่ะความตื่นกลัวของราษฎรก็นำมาซึ่งความหายนะหลายอย่างด้วยความตื่นกลัวราษฎรที่ไม่มีความรู้ต่างพากันอบพยพไปในที่ที่จะไม่เกิดปรากฏการดาวหางเพราะว่าต่างก็กลัวในะเรื่องของโรคระบาด จ ะ, จะเป็นด้วยความบังเอิญนะคะหรืออย่างไรก็ไม่ปรากฏค่ะเมื่อครั้งก่อนที่ดาวหางมาปรากฏพลันจะมีโรคระบาดรุนแรงโรคระบาดในคราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีมาเมีเอาทำอราษฎรขวัญผวาพอเกิดปรากฏการขึ้นในครั้งนี้ผู้คนก็เลยตื่นกลัวอย่างมากเรื่องราวและความกลัวของราษฎรถ้าจะยิ่งมีมากขึ้น ครั้นแล้วพระองค์ท่านทรงเห็นว่าหากปล่อยไว้เยี่ยงนี้เรื่องราวคงจะบานปลายและความตื่นกลัวของราษฎรนั้นคงจะหาที่สุดไม่ได้แน่แนดังนั้นพระองค์จึงทรงออกประกาศในราชสำนักเตือนราษฎรและก็ทําความเข้าใจกับราษฎรเสียใหม่ถึงเรื่องของดาวหางที่จะมาปรากฏในครั้งนี้ว่าแท้จริงแล้วดาวหางนั้ น, น, นไม่ได้มีความน่ากลัวหรือจะมีอันตรายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยเพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้น ในประกาศนั้นมีข้อความทําความเข้าใจว่าในปีรกาตรีศกนี้จะมีดาวหางที่คล้ายกับคราวที่มาเมื่อปีมะเมียแต่การคํานวณเวลาที่จะมาปรากฏของดาวหางนั้นพระองค์ท่านทรงบันทึกไว้ว่าแต่การคํานวณของดาวหางดวงนี้จะทราบรายละเอียดว่าจะมาวันไรอยู่เท่าไหร่ยังคํานวณไม่ถูกเป็นแน่ได้เมื่อจดหมายสงกระดานจะใส่ก็ไม่ทันเพราะการคํานวณจะเอาเป็นแน่ก็ยังไม่ได้ ของอย่างนี้ก็รู้ว่าจะรู้โดยคำนวณล่วงหน้าแต่ว่าลางสิงก็ได้ละเอียดดังสุริยุ ป, ปราคาและจันทรุ ป, ปราคาลางสิงก็เป็นแต่จะรู้ได้ว่าจะมีว่าเป็นจะมีพระองค์ท่านก็ยังทรงเตือนราษฎรอีกนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นอย่าได้ตกใจว่ากระรายวุ่นวายไปวิสัยของแปลกประหลาดในอากาศมีมาถ้าจะมีโทษก็เคยเห็นให้เกิดเหตุสองอย่างให้ฝนแล้งฝนฤดูฝนหรือให้ฝนตกมากเกินปกติก็อย่างหนึ่งจะให้เกิดความไข้แก่คนหรือช้างม้าโคกระบืออย่างหนึ่งเหมือนอย่างเช่นดาวหางที่มาเมื่อปลายปีสทธิ์ที่โศกนั้นก็เกิดเหตุการณ์แค่กระบือตายมากอย่างหนึ่ง และในฤดูฝนปีมะแม่ฝนก็แรงครั้นมาปลายปีมะแม่และต้นปีวอกก็มาความไข้ลงรากก็ทักกลัวแต่ด้วยเหตุอย่างนี้ก็ให้เตรียมต่อสู้เหตุอย่างนี้คือกลัวว่าฝนแง้งเมื่อฝนยังมีอยู่ก็ให้รีบทำนาเสียทำข้าวไร่ข้าวหางม้าข้าวสามเดือนทันศาสตร์ไปได้ตามมี ที่ไม่ได้ทำนามีพี่น้องบุตรภรรยาบ่าวไพร่มากก็ให้จัดซื้อข้าวเตรียมเก็บไว้ให้พอกินอย่าตื่นขายเสียนักถ้ากลัวความไข่ป่ากลัวฝีดาษจะชุมตัวใครบุตรหลานใครยังไม่ได้ออกฝีดาษให้รีบมาปลูกฝีที่โรงทานนอกก็ดีโรงหมอท่าพระก็ดีสาราวัด ส, สุทัศเทพวรารามก็ดีเสียโดยเร็วอย่าให้ทันฝีดาษมา พระองค์ท่านยังทรงเตือนถึงเรื่องไข้รากสาดนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วยโดยในช่วงนั้นมีข้อความนะคะว่าถ้ากลัวว่าไข้จะลงรากมาก็ให้ขัดตัวเสียให้สะอาดอย่าสกรปรกโส ม, มมเคยตามตัวนักหาที่หลับที่นอนให้สะอาดใช้หาเครื่องซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกลิ่นร้ายคือกำยานการบูนเตรียมไว้เมื่อมีความไข้มาสมลมเย่าเรือนผ้านุ่ง ถ้าห่มเสียให้กำจัดพิษอากาศที่กระจายไปและหายาที่เคยเชื่อถือเตรียมไว้ใกล้ๆเผื่อขุกขค่ำจะได้ใช้แก้กันน้ำลายกาดบูนกินกันพาตัวกัน ถ้ากลัวไข้จับสั่นก็หาน้ำกระดบุญไว้ปวดหัวตัวร้อนเล็กน้อยก็กินน้ำกระดบุญแล้วเอาน้ำกระดบุญทาฝ่ามือฝ่าเท้าเล็กน้อยก่อนอย่าปล่อยให้เป็นมากหรือใครเห็นว่ายาอะไรดีก็ให้หาไว้หรือไร่จะเป็นเมื่อยขบเท้าเย็นปวดศีรษะเล็กน้อยก็อย่าเชื่อหมอว่าลมว่าเส้นไป อย่าเพิ่งกินร้อนเข้าไปอย่ากินอาหารที่มีรสหวานที่มันมากนักรีบรืดถ่ายเสียด้วยดีเกลืออย่าใช้ยาสะระดใช้แสลงไข้ไปฟื้นปากฟื้นใจของผู้เขียน พูดแต่ว่ารวมเอายาร้อนแก้อันหนึ่งบ้านเมืองมีไข้เจ็บทําให้คนล้มตายอย่างไรจะมามากเมื่อไหร่ให้คอยระวังสืบที่ป่าช้ามีศพไปเผามากๆอยู่ทุกวันเนืองจะได้ความจริงข้อความเบื้องต้นจะเห็นได้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยท่านทรงห่วงใยพระุกนิก่อนในพระองค์ท่านเพียงใดพระองค์ท่านสรงใส่ใจในทุกสุขและก็ความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นประเมื่อครั้นก่อนที่พระองค์ท่านทรงคลื่นครองสิริราชสมบัติของพระองค์ท่านทรงผนวดอยู่ตลอดระยะเวลายาวนานถึง27พ่พรรษาค่ะครั้นพระองค์ท่านเมื่อครั้งเป็นภิกสุสง์ก็ออกธุดงตามที่ต่างๆได้พบเห็นความทุกข์ยากของราษฎรและก็เข้าถึงราษฎรได้โดยตรงทรงรู้ถึงสารทุกข์สุขดิบว่าอนาประชาราษเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอันใดบ้างเนื่องเพราะพระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นมาเสียนักแล้วนะคะ ดังนั้นพระองค์ท่านาส่งขึ้นครองราชก็เลยทำให้พระองค์ท่านทราบว่าราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลเป็นอย่างไรเดือดร้อนในเรื่องใดจึงทรงเตือนและก็ทรงพระราชทานคำแนะนำในการรักษาความเจ็บไข้ามาโดยละเอียด จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะปรากฏว่าความไข้หรือโรคระบาดที่มาพร้อมกับดาวหางหามีความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะในเวลานั้นจึงปรากฏความสูญเสียเนื่องจากประชากรล้มตายเป็นจํานวนน้อยไม่หนักหนาแลวก็รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านานมาเพราะว่าทางเรารู้แล้วนะคะว่าสาเหตุของโรคร้ายมาจากอะไร จะเห็นได้นะคะว่าในเวลานั้นมีการปลูกฝีดาษกันแล้วการปลูกฝีดาษเป็นการป้องกันไข้ทรพิษเป็นอันดับแรกซึ่งวิธีการปลูกฝีดาษนั้นนะคะเรารับมาจากต่างประเทศอีกทีหนึ่งพระองค์ท่านทรงใช้วิทยาการจากต่างประเทศเพื่อรักษาความไข้ของประชากรให้หายจากการเจ็บป่วยโดยเร็วค่ะ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นหามีเรื่องหนกตกใจหรือมีโรคระบาดร้ายแรงแต่อย่างใดไม่แต่เรื่องร้ายแรงกลับเกิดแก่พระองค์ท่านค่ะหลังจากนั้นไม่นานด้วยเหตุที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุ ป, ป ร, ราคาเต็มดวงที่ตำบลวากอจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นสาเหตุในการเปลี่ยนรัชการเป็นสาเหตุของการผลัดแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรื่องราวของคนโบราณที่ตื่นกลัวดาวหางนี้จากครั้งที่ดาวหางมาปรากฏ ใ, ในรัชกาลที่สี่แล้วก็มาอีกครั้งในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงความที่คนไทยถือเรื่องการมาปรากฏตัวของดาวหางเป็นอย่างมากเพราะคนไทยส่วนมากนะคะเชื่อกันว่าการปรากฏตัวของมันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นลางร้าย ดังนั้นในการปรากฏตัวของดาวหางทุกครั้งจึงมักจะทำให้คนทั่วไปนะคะแตกตื่นและก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาซึ่งล้วนแล้วแต่ออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีและก็ไม่เป็นมงคลค่ะและเมื่อเมื่อครั้งที่ดาวหางมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ปรากฏนะคะว่าการมาปรากฏตัวของมันในครั้งนี้ก็เป็นลางร้ายอีกครั้งเพราะว่าในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระประชุนอยู่ และพระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นในเวลาไม่นานสุดท้ายเรื่องราวของดาวหางที่ปรากฏตัวแต่ละครั้งก็มีแต่ความสูญเสียจึงทําให้ผู้คนในสมัยนั้นปักใจเชื่อว่าเหตุร้ายต่างๆตานาที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนมาจากปรากฏการของดาวหางด้วยกันทั้งนั้นนะคะเรื่องที่พูดถึงการมาปรากฏตัวของดาวหางในสมัยรัชกาลที่หทุกเรื่องล้วนพูดพร้อมไปในทางเดียวกันคือหายนะครั้งนี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากการเยือนของดาวหางที่ว่านี้เช่นครั้งก่อนที่เกิดโรคระบาดแต่ว่าคราวนี้ค่ะความสูญเสียกลับมากกว่านั้นเพราะต้องแลกกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ยิ่งใหญ่หนึ่งพระองค์เลยทีเดียวดาวหางดวงที่นานๆจะมาสักครั้งหรือปรากฏตัวให้เห็นน้อยมากแล้วในการมาเยืนทุกครั้งพกพาความสูญเสียมาด้วยเสมอดาวหางดวงที่ว่าก็คือดาวหางหันเลขค่ะ ดาวหางดวงที่นานๆจะมาเสียครั้งหนึ่งนะคะว่ากันว่าดาวหางดวงนี้ใช้เวลาโครจรถึง75ปีเลยทีเดียวกว่าจะมาให้เห็นใหม่มีบันทึกในที่ต่างๆนะคะที่กล่าวกันว่าบันทึกถึงการมาเยือนของดาวหางฮันเลไว้นะคะในหมู่พระบรมวงศ์สานุวงศ์ก็มีอยู่หลายพระองค์ค่ะที่ทรงบันทึกเรื่องราวเอาไว้ ในที่นี้มีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพพระองค์หนึ่งแล้วก็หม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิสกุลพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพอีกพระองค์หนึ่งนะคะโดยในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมาพูลพิสมัยนั้นนะคะยังมีบันทึกถึงเรื่องราวในวันเสด็จสวรรคตไว้ด้วยสําหรับในหมู่คนธรรมดาสามัญแล้วยังคงมีแต่บันทึกของนักเขียนอาวุโสหลายท่านที่เกิดทันในเวลานั้นแล้วก็เขียนเรื่องราวเอาไว้พอสมควรใน ที่นี้ค่ะมีคุณตาท่านหนึ่งนะคะท่านได้เขียนไว้คุณตาชื่อว่าคุณตาพรานบู์ค่ะแห่งคณะละครจันทโรพาศในอดีตท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2444นะคะก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตในราว9ปี ท่านเคยเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของดาวหางดวงนี้แล้วก็เรื่องของราษฎรในเวลานั้นนะคะล้วนด่าแช่งชักดาวหางดวงที่ว่านี้ด้วยกันทั้งนั้นและต่างบอกกันนะคะว่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสเสด็จสวรรคตเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากการมาเยือนของดาวหางดวงนี้ด้วยเช่นกันค่ะในที่นี้นะคะจะข อ, อ, อขอยกตัวอย่างเรื่องราวของดาวหางดวงนี้ ที่คุณตานะคะได้พบด้วยตัวเองและก็เคยเล่าให้ฟังนะคะครั้งนั้นคุณตานะคะได้เล่าว่าจำได้ว่าเมื่ อ, อยังเด็กๆมากๆตาเคยเห็นดาวหางบนท้องฟ้าคราวนั้นพวกผู้ใหญ่ในบ้านทุกคนดูจะวิตกทุกข์ร้อนไปหมดคนโบราณบอกว่าหากเห็นดาวหางตกหรือดาวหางขึ้นคราดายบ้านเมืองก็จะเกิดแต่เรื่องร้ายทั้งภัยพิบัติก็จะตามกันท่านบอกว่าคุณแม่ของท่านวิตตกทุกข์ร้อนมาก คาที่ว่าดาวหางดวงนี้จะจระจแหมอยู่บนฟ้าท่านเห็นว่าหางของมันยาวเป็นทางพาดาขวางกลางท้องฟ้าเลยทีเดียวค่ะดึกๆเลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกแล้วก็ต้องตกตะลึงกับดาวหางดวงนี้คือมันน่ากลัวมากสุกสว่างเป็นทางสีเหลืองมั น, มนตาเห็นแล้วกลัวเหลือเกินเวลานั้นบ้านเมืองก็สงบสุขดีแต่ทว่าเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะคะคือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสวรรคต ท่านเล่าว่าเวลานั้นผู้คนโศกสลดกันทั้งประเทศบ้านเมืองเงียบเหงาอึมครึมเสียงผู้คนร้องไห้ดังระงมมาไม่ได้ขาดระยะท่านเล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความหดหู่หมนมองเหลือเกินมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนที่แต่งตัวไว้ทุกทั้งนั้นไม่มีหลอกคนที่รื่นเริงอย่าไปหาเลยคนเท่าคนแก่ร้องไห้กันกระจององอแงคืนก่อนหน้านั้นท่านลุกออกมากลางดึกเพราะปวดท้องฉี่ก็เลยแว่ออกมายืนริมระเบียง อเอินเกิดงานหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าอยู่ๆก็เห็นดาวหางดวงมันใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวมีหางยาวพาดกลางฟ้ามันพาดผ่านขอบฟ้าจากข้างบนลงข้างล่างสว่างเจิดจ้าน่ากลัวมากครั้งนั้นท่านยังเด็กแล้วก็ยังนึกสงสัยว่าดาวอะไรถึงดวงใหญ่ขนาดนี้ล่วงมาอีกสองสาวันพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตท่านบอกอีกว่าผู้ใหญ่ในบ้านท่านคุณแม่แล้วก็คนอื่นต่างบอกว่าสังหรณ์ใจไม่ผิดแต่ทว่าไม่อยากจะคิด เพราะคิดทีไรเป็นเรื่องทุกทีท่านบอกว่าท่านยังจำคำที่คุณแม่เล่าได้เลยว่าเรื่องดาวหางดาวตกอะไรพวกนี้คนโบราณถือกันมากเห็นกันทีใจก็ฝ่อกันไปทั้งประเทศคุณแม่ท่านอาจจะกลัวก็ได้เพราะเท่าที่รู้มาคุณแม่ของท่านจะไม่ชอบทำอะไรแบบนี้นะักหมายถึงพวกเรื่องดูดาวอะไรอย่างนี้นะคะคุณแม่ท่านเคยพาไปดูดาวในช่วงระยะหัวค่าดูดาวคันท้ายดาวประจาเมืองอะไรตามเรื่องตามราวแต่ก็ไม่เคยเห็นว่า คุณแม่ของท่านจะชอบเท่าไหร่ท่านว่าท่านยังจำเรื่องแปลกๆได้อีกเรื่องหนึง่งก็คือวันนั้นท่านเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพอโตขึ้นมาก็พอจะเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมคุณแม่ของท่านถึงได้กลัวเสยอย่างนั้นคุณตาบอกว่าท่านจำเรื่องนี้ได้ไม่ไม่ทั้งหมดจำได้แต่ว่าวันนั้นคุณแม่ท่านออกไปทาธุระที่ไหนสักแห่งหนึง่งกลับมาตอนพลบค่า พอสมควรเราสักสามทุ่มไปแล้วล่ะนะคะวันนั้นอยู่บ้านก็เลยนอนดึกได้แต่ว่าทุกวันสองทุ่มท่านมักจะหลับแล้วแต่ชไหนวันนั้นถึงยังไม่เข้านอนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอาจจะรออยู่รอคุณแม่อยู่หรือรออะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็จําไม่ได้แต่แล้วจูๆ่ๆคุณนะ้าท่านก็รองขึ้นแล้วเรียกให้คุณตาท่านมาดูที่ท้องฟ้าคุณตาบอกว่าท่านเองยังได้ทันเห็นดาวตกดวงหนึ่งพุ่งว่าบ เห็นแสงสว่างทางยาวส่วนหัวปักลงไปแล้วก็หายลับไปจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วครั้งนั้นท่านดีใจและก็แปลกใจกันมากที่ได้เห็นดาวตกท่านบอกว่าเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอได้เห็นท่านก็ดีใจสักครู่คุณแม่ท่านก็กลับมาพอคุณแม่เข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นมาบนบ้านท่านก็เข้าไปเกาะแกะประจบท่านอย่างเคยแต่วันนั้นไม่รู้ท่านเกิดนึกอะไรขึ้นมาเผลอไปเล่าเรื่องดาวตก ที่เห็นเมื่อสักครู่ให้คุณแม่ท่านฟังโดยคิดว่าคุณแม่ท่านจะต้องแปลกใจและดีใจตามท่านอย่างแน่นอนแต่การไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าคุณแม่ท่านตกใจมากและดุท่านซะด้วยพร้อมกับพานกโกรธคุณนาที่พาท่านไปดูดาวอีกท่านบอกว่าไปดูอะไรไม่ได้เรื่อง เวลานั้นท่านก็ไม่เข้าใจว่าคุณแม่ของท่านจะโกรธเรื่องอะไรแต่ท่านก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งแต่นั้นแต่พอโตขึ้นนะคะท่านก็รู้ความจริงว่าท่านเองพองจะเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไมแม่ของท่านถึงโกรธนักโกรธหนาในวันนั้นกับแค่เรื่องดาวตกเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแค่นี้เองคุณตาบอกนะคะว่าแท้ที่จริงแล้ววันนั้นคุณแม่ของท่านไม่ได้โกรธตัวท่านและก็ทุกคนหรอกแต่คุณแม่ท่านกลัวมากกว่า ท่านคงกลัวว่ามันจะมีเรื่องร้ายและก็เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราดังเรื่องราวครั้งอดีตอีกครั้งนั่นเอง